พวกเราที่นี่หลายคนก็ได้มาอยู่ปฏิบัติหลายเดือนแล้วบางคนก็เพิ่งมาได้สองสาวันแล้วก็บางคนก็เพิ่งมาวันนี้แต่ไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังก็ถือว่า เป็นสหายธรรมเป็นเพื่อนร่วมทางทางที่ว่านี้ก็คือมักนะมักมีองค์แปดเลยเพราะที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาตนเองบางคนอาจจะหวังเพียงแค่ให้มีความสุขความสงบใจ บางคนก็หวังไปถึงขั้นว่าดับทุกข์หรือพ้นทุกข์นะไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่ตรงไหนใกล้หรือไกลก็ก็สายเส้นทางสายนี้แหละนะเส้นทางสายสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเอกเป็นทางสายหลัก หลายคนก็ จ, จะทําบุญให้ทานมานานแล้วบางคนก็อาจจะมาก่อนมาหลังก่อนหรือหลังก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับกันและกันได้ จะว่าไปแล้วที่เรามาปฏิบัติกันที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่ก็เกิดจากการชักชวนของเพื่อนหรือเกิดจากการแนะนำของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จักเป็นส่วนตัวหรือว่าผ่านการ แนะนำทางหนังสือหนังหาหรือทางซีดีทาคุบาจารย์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นกาลยานิมิตนะการยานามิตก็ชักชวนแนะนำให้เรามาที่นี่หรือว่าปรองใจที่จะมาปฏิบัตินะอันนี้ก็พ่อความศรัทธา ศรัทธานในกัลยาณมิตรก็ทําให้มาปฏิบัติมาทดลองใช้ชีวิตเส้นทางนี้ก็เรียกเป็นเส้นทางพรหมจรรย์ก็ได้นะพรหมจรรย์นี่มันมีความหมายหลายอย่างไม่ได้แปลว่าการไม่เกี่ยวข้องกับกามอย่างเดียวการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงาม แม้แต่การรักษาศีลก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้หรือว่าการพอใจในคู่ครองยินดีในคู่ครองของตนไม่นอกใจก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์นี่หมายถึงว่าชีวิตการดำเนินการดำเนินชีวิตอันประเสริฐนะไม่ได้แปลว่าต้องบวชพระไม่เกี่ยวข้องกับกามอย่างที่เรามักจะเข้าใจกัน อันนี้ที่เราเข้ามาสู่เส้นทางพระมจรรย์ได้ในระดับขั้นแตกต่างกันก็เพราะมิตรก็เพราะเพื่อนก็เพราะกิริยนานมิตรนะอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยกิริยนานมิตรเป็นทั้งหมืองของพรหมจรรย์นะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าอาศัยการแนะนําอาศัยการชักชวนอาศัยาการกระตุ้นเล้าของมิตรนะของกิริยนานมิตรนะ น้อยคนที่จะมาปฏิบัติด้วยความคิดรื้เริ่มของตัวเองคือว่าไม่มีการปูกฝังแนะนำแนะแนวนงะจากกัลยาณมิตรมาก่อนอย่างคนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าชายสิทธัตถานี่ก็เรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษนะก็คือว่ามาปฏิบัติโดยที่ไม่ได้มีใครแนะนำแต่ว่าท่านเห็นเองเรียกว่าเกิดโยนิสมานสิการ เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนแก่คนตายแล้วก็เห็นสมณนะเรียกว่านิมิต ส, สี่นะก็เกิดความตกลงปลงใจนะที่จะมาบำเพ็ญชีวิตเป็นอนาคาริกมาสแสวงหาทางหลุดพ้น อันนั้นเป็นข้อยกเว้นส่วนใหญ่ก็อาศัยกัลยาณมิตรทั้งนั้นแล้เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนะก็มีโอกาสได้มาฟังทมก็เป็นการให้ทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นการให้ข้อแนะนำ เพื่อที่เราจะได้มาทบทวนการปฏิบัติของเราว่าเป็นไปอย่างไรถูกต้องไหมจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรนะการฟังธรรมนี่ก็เป็นเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัตินะพระเจ้าจัดว่านะพึงครบคนดีนะ เมื่อครบแล้วไม่ใช่ครบเปล่าก็สดับตับฟังธรรมะจากท่านคําแนะนําก็คือมีการสนทนากันมีการฟังรวมถึงการอ่านด้วยก็ได้การที่เราเลือกหนังสือดีมาสักเล่มนึงแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนั้นก็ถือว่าเป็นการได้คบคนดีแล้วก็สดับฟังธรรมะหนังสือก็เป็นการียนมิตรได้เมื่อฟังแล้วก็เกิดข้อคิด รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดถูกวิธีอันนี้ก็เรียกว่าโยนิสโสมนาสิการแล้วมันก็จะนาไปสู่การปฏิบัติถ้าครบมิตร ด, ดีแต่ว่าไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าได้มีแง่คิดที่ถูกต้องคิดถูกคิดเป็นรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ สุดท้ายต้องมาปฏิบัตนะิถึงจะเรียกว่าเป็นการดำเนินตามเส้นทางที่เรียกว่าพรหมจรรย์มีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นขา่าวแปลกๆเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อสักเดือนที่แล้ว คือผู้ชายคนหนึ่งแกก็อยู่อยู่บ้านคนเดียวนะก็คงเป็นผู้ชายโสดก็ไปทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงสุกเหมือนคนกินเงินเดือนปกติแต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเขาสังเกตว่ามีของหายที่บ้านและของที่หายเนี่ยคืออาหารเขาสังเกตมานานแล้วแต่ก็ ขโมยไม่ได้สักทีเขาปรับใจเชื่อว่าต้องมีขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยอาหารในบ้านเขาวันหนึ่งเขาก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่โทรศัพท์มือถือเขานะสมัยนี้มันสะดวกมากเลยโทรศัพท์มือถือนี่ก็สามารถที่จะรับสัญญาณกล้องวงจรปิดได้ แล้วพอก็ไปทำงานออกจากบ้านไปได้สักพั ก, กเปิดโทรศัพท์เช็คดูสัญญาณจากโทรจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินยุ่มย้ามในบ้านของเขาเขาไม่รู้จักก็แน่ใจว่าขโมยนี่บุคเข้ามาที่บ้านขเขาขเขาเลยโทรศัพท์เรียกตำรวจ ให้ไปจับขโมยที่บ้านพอตำรวจไปถึงก็แปลกใจว่าคือดูจากสัญญาณเนี่ยมันเป็นขโมยนะแต่ว่าบ้านเนี่ยล็อกประตูบ้านนี่ปิดสนิทหน้าต่างก็ปิดสนิทไอ้รักจมนเข้ามาได้ยังไง เขาค น, นี้ก็ทําหน้าที่แล้วก็ต้องทําหน้าที่คือตามจับขโมยก็คน้นตามห้องต่างๆห้องก็บ้านคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีห้องมากหรอกนะคน้นทุกซอกทุกมุมลนทั้งใต้เตียงด้วยจริงๆไม่ได้มีเตียงนะเขาก็นอนนอ น, นอนเสื่อน ะ, ต, ะตาต่ำมีแล้วก็สุดท้ายเขาไม่เจอใข่เขาก็เลยค้นตาม ตามตู้นะตู้แบบญี่ปุ่นนะคือเลื่อนเลื่อนเลื่อนประตูบอรากว่าในสุดก็เจอเจอผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนอยู่ในตู้เก็บเสื้อผ้าผู้หญิงคนนี้นะก็ยอมสารภาพนะว่าเป็นขโมยและที่น่าแปลกก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านนั้นเนี่ยมา นานเป็นปีแล้วเขาซ่อนอยู่ในบ้านน้นนานเป็นปีแล้วนะไม่ใช่พึ่งมาบอกว่าเนี่ยเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่นะเขาก็ออกมากินอาหารแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดแต่พอเจ้าของกลับบ้านเขาก็หลบไปซ่อนในตู้นี่แหละทำอย่างนี้มานานแล้วคือเขาเป็นคน ไร้บ้านภาษาชาวบา้านเรียกว่าคนจรจัดซึ่งมีเยอะในเมืองใหญ่ๆบ้านเราก็มีนะกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นคนจรจัดแล้ววันนึงเขาเพบว่าประตูบ้านเปิดเขาก็เลยลักเข้ามาแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในบ้านนะั้นน่ะซึ่งเขาคิดว่ามันสบายกว่าไปเป็นคนจราจัดไม่มีที่พักที่นอนนี่ ถึงแม้ที่นอนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องไปหลบซ่อนอยู่ในตู้แต่ว่ามันมีกินนะมีกินมีที่อยู่นะเรื่องนี้เนี่ยทำความประหลาดใจให้กับเจ้าของบ้านมากเพราเขาคิดมาตลอดว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวไม่เคยรู้เลยว่ามีเพื่อนร่วมบ้านอาจจะร่วมห้องด้วยซ้ำนะอยู่นานเป็นปี แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เช่นเดียวกับผู้ชายคนเนี้ยคิดว่าขโมยเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแอบเข้ามาเวลาไม่อยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยขโมยมันอยู่บ้านเขานั่นเองอยู่ในบ้านเขาอยู่ใกล้เข้ามากเลยพวกเรานี้ก็ต้องถ้าใครอยู่คนเดียวก็อย่าไปแน่ใจนะว่าไม่มีใครอยู่กับเราด้วยนะอาจจะมีคนอยู่กับเราด้วยก็ได้นะแต่ถึงแม้ ไม่มีขโมยอยู่ในบ้านเรานะเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มีขโมยอยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วนะขโมยที่ว่าอาจจะหมายถึงพยาธิก็ได้นะ <c oughs> พยาธินี่มันก็ขโมยอาหารไปจากร่างกายของเรากินอะไรเข้าไปกินดีๆกินดีแค่ไหนนี่นะก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารที่เรากินเพราะว่า พยาธินี่มันก็ขโมยสารอาหารไปจากร่างกายของเรามะเร็งนี่ก็ใช่นะมะเร็งเนี่ยมันก็ดูดอาหารไปแทนที่จะไปเลี้ยงเซลล์ปกติในร่างกายมันก็ดูดไปเลี้ยงตัวมันจนทั้งตัวมันใหญ่เอาใหญ่เอาแต่ว่าตัวเจ้าของนี่กลับผอมลงผอมลงนะนี่เรานะไม่มีความ มั่นใจได้หรอกว่าจริงๆแล้วนี่เราไม่มีขโมยนะอยู่ในตัวเราแต่ตามาคิดว่าขโมยที่น่ากลัวกันนั้นเนี่ยไม่ใช่พยาธินะอาจจะไม่ใช่มนเรงด้วยซ้านะแต่เป็นขโมยที่อยู่ในใจเราเป็นขโมยที่คอยขโมยความสุขของเราไปไอ้ที่เราทุกๆวันเนี่ยนะ มันไม่ใช่อะไรเราไม่ใช่ว่าเพราะคนอื่นมาทำให้นะเราไม่จะเข้าใจาว่าที่เราทุกข์ไม่ค่อยมีความสุข <c oughs> เป็นเพราะว่าคนอื่นมาทำให้กับเราหรือมาแย่งความสุขของเราไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยที่เราไม่ค่อยมีความสุขก็เพราะว่าถูกขโมยความสุขไปนะ ไอ้สิ่งนั้นมาอยู่ในใจเรานั่นเองนะลองสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะบางคนก็ปฏิบัติมาเป็นเดือนแล้วบางคนก็เพิ่งปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่เพิ่งปฏิบัติเนี่ยหลายคนก็จะไม่ค่อยมีความสุขหรอกนะที่ไม่สุขเพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันคิดนะคิดไปถึงความสุขสบายที่บ้านของเรา หรือบางทีก็ห่วงลูกของเราห่วงพ่อแม่ของเราบางทีก็ห่วงงานห่วงการและบางทีก็รู้สึกเบื่อเพราะนึกถึงสิ่งที่มันมีความสุขน่าร้าใจน่าตื่นเต้นอริดอร่อยมากกว่าคิดทุกที ก, ทก็ทุกทีและที่คิดเพอแหอะไรเพราะมันรักคิดนะ ไอ้ตัวรักคิดเนี่ยนะมันทําให้เรามีความทุกข์ตัวรักคิดี่มันไม่ใช่แค่ทําให้เราเผลอคิดนะแต่ว่ามันยังรักขโมยเอาความสุขไปจากใจเราด้วยบ่อยครั้งเนี่ยเราก็มีทุกอย่างในชีวิตแล้วแต่พอเราเกิดความโลภขึ้นมาอยากได้สิ่งใหม่ อยากได้รถคันใหม่อยากได้ทองหยองอยากได้บ้านหลังใหม่เนี่ยหรือว่าเกิดติดใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มีเนี่ยให้ความสุขก็จะหายไปเลยกลายเป็นทุกข์นะอันนี้ก็ให้รู้ว่าเนี่ยความสุขเนี่ยมันถูกดูดไปแล้วถูกขโมยไปแล้ว จากตัวที่เรียกทำไมาเรียกว่าลักคิดนะซึ่งบางทีก็มาในรูปของราคะราคะนี้ไม่ได้ไปหมายถึงความความยึดติดความแสวงหาในทางการที่เป็นเพศลดอย่างเดียวนะราคะหมายถึงความย้อมติดติดใจหมายถึงความอยากครอบครองซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้นะมันมีความหมายดีกว่าโลภะนะโลภะนี่ นะมันมีความหมายมันก็ว่าอยากจะได้มากมากแต่ที่จริงความติดใจก็ถือว่าเป็นราคาอันหนึ่งเวลาเราปฏิบัติแล้วเราเกิดแล้วนึกถึงความสุขสบายที่เรามีที่บ้านนึกถึงอาหารที่อร่อยที่เราพลาดไปหรือนึกถึงละครที่เราไม่ได้ดูบางคนก็นึกถึงเฟ e บุ o กที่ไม่ได้เล่นนะ อันนั้นก็ให้รู้ว่านั่นนะ่คือราคนนะนะมันไม่เกี่ยวกับการหรืออรดอร่อยทางผัด ส, สะเลยหมายถึงทางเนื้อหนังเลยก็ได้นี่คือตัวขโมยความสุขไปจากใจของเราบางทีมันก็มาในรูปอื่นเช่นโทสะเราก็ปฏิบัติอยู่ดีๆนะ กินอาหารก็อร่อยดีหรอกอยู่หรอกฟังเพลงก็เพราะดีอยู่หรอกนะแต่พอนึกถึงคนที่เราเกลียดนึกถึงคนึกถึงคนที่เขาว่าเราเขาตำหนิเรานึกถึงเจ้านายที่กลั่นแกล้งเราเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาหรือบางทีนึกถึงคนในวัดที่นะเพิ่งทะเลาะบบาแวงกันเกิดโทสะเกิดความโกรธขุ่นเคืองใจขึ้นมาณวินาทีนั้น ความสุขมันหายไปเลยให้รู้ว่าเนี่ยความสุขมันถูกขโมยไปแล้วนะบ่อยครั้งเนี่ยเรานึกว่าคนอื่นเนี่ยมาทํามาทําลายความสุขของเราหรือมาแย่งชิงความสุขของเราไปอันนั้นเรากําลังเข้าใจผิดแล้วเหมือนกับผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยที่ไปคิดว่า คนข้างนอกนี้มาขโมยของในบ้านเขาแต่ที่จริงเนี่ยขโมยอยู่ในบ้านเขาตลอดเวลาให้เราตระหนักว่าไอ้ความสุขนะที่หายไปนี่นะมันไม่ได้จากใครเลยนะมันมาจากตัวรักคิดนี่เองนะซึ่งบางทีเราก็มันก็โยงไปถึงสิ่งที่เรียกว่ากิกเลสนะ กิเลสที่มาในรูปของราคะโทสะโมหะความหลงความเข้าใจผิดก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เวลาเราเข้าใจเพื่อนผิดเวลาเราเข้าใจแฟนผิดนะเพราะเราไม่รู้ความจริงนะความสุขก็หายไปเลยอันนี้เราจะได้เห็นจากละครที่เขาเรียกว่าละครน้ําเน่านะที่ตัวนางเอกก็เข้าใจ พระเอกผิดนะเพราะความหลงก็เลยทุกก็เลยทำให้เราต้องติดตามด้วยความระทึกนะแล้วก็กดดาตัวอิจฉานะว่าเป็นตัวที่ทําลายความสุขของพระเอกนางเอกแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเพราะความเข้าใจผิดนะของนางเอกหรือบางทีก็พระเอกเองด้วยที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความทุกข์ขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าความหลงได้ให้เราตระหนักว่าเนี่ยคือตัวขโมยความสุขที่แท้นะแต่ขโมยเนี่ยนะมันกลัวอย่างนึ่งนะมันกลัวแสงสว่างมันกลัวคนเห็นขโมยนี่ชอบความมืดและที่ชอบความมืดก็เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดแสงสว่างขึ้นหรือมีคนเห็นขโมยนี่มันก็ล่าถอยหรือหนีไปมันกลัวมากกลัวคนเห็นกลัวคนรู้และนี่คือตผลนะที่เรามาเจริญสติกันเพราะว่าเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นตัวร้าย ตัวขโมยอย่างถนัดทนีที่ผ่านมานยะมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราขโมยความสุขของเราไปแล้วเราก็ไม่รู้นะเราก็ไปโทษคนโน้มคนนี้อย่างผิด้าผิดตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเห็นความโกรธเห็นโทสะเห็นราคะ มันจะเลือนหายหนีหายไปเวลาเราเผลอและตัวรักคิดเนี่ยมันทำงานนะตัวรักคิดเผลอคิดไปสารพัดไปถึงอดีตบ้างไปยังอนาคตบ้างแล้วเราก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวแต่เมื่อกระตามที่เรามีสติเห็นมันมันก็ หนีไปเมื่อใดก็ตามที่เรามีสตินะเราก็จะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจไอ้ความเผลอความหลงก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีสติพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายที่กำลังยกมือที่กำลังเดินกบมาอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นได้ใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าใจส่งออกนอกนะไปหลงเพลินกับสิ่งภายนอกนี่มันไม่มีความรู้สึกตัวนะไอความรู้สึกตัวนี่มันเหมือนแสงสว่างนะพอมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยตัวรักคิดหรืออกุศล น, นี่ก็หายไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีธรรมะใดที่จะทําให้ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปได้ดีเท่ากับความรู้สึกตัวเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหรือดับไปอันนี้แหละก็ทําให้ตัวรักคิดเนี่ยมันมันถอยหนีไป แต่อาจจะยังไม่ได้เปห น, นีไปไหนนะอาจจะหนีไปเก็บตัวซุกตัวอยู่ในซอกเหมือนกับผู้หญิงนะที่เมื่อแต่ก็ตามที่เจ้าของบ้านกลับมาก็จะหลบไปซ่อนอยู่ในตู้ใหม่ๆ ย, ยังไม่ออกจากบ้านนะจนกว่าจะถูกตำรวจจับได้นี่ก็ใหม่ๆเนี่ยเราเวลาเรามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวลักคิดเนี่ยมันก็จะหายไปแต่มันไม่ได้หายไป ออกไปจากใจของเราทีเดียวแต่มันมันซุกมันซ่อนอยู่นะแต่ว่านั่นก็ยังดีนะก็ทำให้การที่มันจะขโมยความสุขของเราไปจากใจก็ระงับไปอย่าง้อกก็ชั่วขณะหนึ่งสังเกตไหมเวลาเรามีความรู้สึกตัวนี่เราจะรู้สึกปกติเบาโปรง่โรงโล่งแต่พอเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่นะ ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความกังวลนะเกิดความร้อนใจบางทีความความทุกข์นั้นก็เกิดจากการปฏิบัตินั่นเองแต่เนื่องจากเราปฏิบัติผิดทางเราปฏิบัติ ด, ด้วยความอยากนะเราอยากจะให้สงบให้จิตสงบพอจิตมันไม่ยอมสงบอย่างที่เราต้องการเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปตามเรื่องตามราวของมัน เลยพรตามนิสัยความเคยชินที่สั่งสมมาหลายสิบปีเราคิดว่าเราจะคุมมันได้แต่พอเราคุมมันไม่ได้เราก็ไม่พอใจพอไม่พอใจก็ยิ่งจะมุ่งมั่นจะเอาชนะมันมากขึ้นก็จะจ้องเล่นงานมันกะว่าถ้ามันมาเมื่อไหร่ก็จะตะปบมันก็จะกดขมมัน แต่ว่าก็จับไม่ได้ายไม่ทันสักทีก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งขุนเคืองใจแล้วก็ยิ่งทำให้เราอารมณ์เสียมากขึ้นในขณะที่เราพยายามไล่าตามความคิดนอกจากเราจะไม่รู้ทันความคิดอย่างฉับไวแล้วเรายังปล่อยให้อารมณ์ขุนเคืองใจหงุดหงิดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวและถ้ามันเกิดขึ้นนานๆเข้านะ มันก็จะลองเออยอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนได้เล่าถึงหลวงพ่อรูปหนึ่งนะนั่งตั้งใจปฏิบัตินะท่านตั้งใจปฏิบัตินะแต่ทำด้วยความเครียดทำด้วยอาการที่หน้าดำคล่ำเคร่งหน้านิ้วคิ้วขมวดผ่านไปสักพักกลับมากับท่านเดินผ่านไปอยู่สักพักหนึ่งกลับมาก็เห็นหลวงพ่อรูปเดินองนี้แหละนะคราวนี้ไม่เดินจงกรมแล้วนะ นั่งลงแล้วก็เอารองเท้าแตะฟาดศีรษะทำไมมันคิดมากเหลือเกินทำไ ม, มันคิดมากเหลือเกินนี่เรื่องปฏิบัติเพราะความอยากปฏิบัติเพราะตั้งใจจะอยากจะเอาชนะความฟุ้งซ่านอยากจะเอาชนะตัวลักคิดแต่ว่าเอาชนะแบบไม่ถูกวิธีก็คือว่าแทนที่จะรู้มันเฉยๆนะคิดอยากจะ จัดการกับมันแต่พอจัดการกับมันไม่ได้อยากจะกาจัดผักสายมันออกไปแต่พอกาจัดผักสายไม่ได้ก็ยิ่งไม่พอใจจิตก็ยิ่งขุ่นมัวมากขึ้นนอกจากไม่รู้ทันความคิดแล้วทำให้ความคิดมันฟุ้งซ่านแล้วก็ยังไม่รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นและเมื่อความหงุดหงิดลุกลามกลายเป็นความโกรธเกิดโทสะก็ไม่รู้ทันอีก สุดท้ายก็ลืมตัวจนมาทั่งนะทำร้ายตัวเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเพราะว่าตัวเพราะว่าจัดการกับมันไม่ถูกวิธีนะทําได้ความยากนะปฏิบัติเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปมัวแต่ไล่ล่าหาไล่ล่าตัวลักคิดอย่างเดียวหรือว่าไล่ล่าความคิดพุพ่งซ่านอย่างเดียวให กลับมากลับมามองดูใจว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรด้วยนะเวลามันคิดฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจก็ให้รู้ทันมันหรือว่าคิดฟุ้งซ่านแล้วเกิดพึงพอใจก็ให้รู้ทันในความพึงพอใจนั้นนะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อความสุขตัวเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าเครียดก็รู้ว่าอ่าหงุดหงิดนะแต่ก็รู้แบบรู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อคำคำเคียร์หรือหลวงพ่อเทียนสอนเพียงแค่รู้เช่นนั้นโดยที่ไม่มีความคุ้นเคืองต่อความหงุดหงิดนะบางทีมันหงุดหงิดซ้อนหงุดหงิดนะคือเห็นความหงุดหงิดแล้วก็เกิดหงุดหงิดนะ หุดหงิดในตัวที่หุดหงิดนั่นแหละหรือพอโกรธเข้าก็เห็ น, mm. เ, หนเห็นความโกรธรู้ว่าโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีพอความโกรธเกิดขึ้นก็เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความรู้สึกลบต่อความโกรธนั้นอันนี้เรียกว่าโทสะซ้อนโทสะนะต้องระวังให้ดีบางทีก็คิดซ้อนคิดนะคิดไปเป็นเรื่องเวลาแล้วก็ เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะคิดเรื่องนี้ได้ยังไงทําไมถึงคิดเรื่องนี้เอ๊ะนี่เรากาลังคิดอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ยนะไอ้คนี่มันคิดซ้อนคิดถึงนั้นบางทีมันก็หงุดหงิดซ้อนหงุดหงิดโกรธซ้อนโกรธนะโกรธตัวเองที่โกรธนะเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเวลาปฏิบัตินะให้รู้ว่านี่เราโดนมันหลอกแล้วนะถ้าโกรธก็โกรธอย่างเดียวโกรธชั้นเดียวพอคือรู้ว่าโกรธนะ แต่ไม่มีปฏิกิริยารู้สึกลบต่อความโกรธอาจจะทำใจเหมือนก็ว่าเออต้อนรับมันก็ได้เห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ต้อนรับมั น, นเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์เอาความเหงาก็เช่นเดียวกันนะปฏิบัตินี่หลายคนก็จะรู้สึกเหนา ท, ทั้งทั้งที่อยู่กันหลายคนก็พยายามไปผลักสายความเหงาออกไปมันไม่ไปหรอกนะไอ้พวกนี้นี่มันเหมือนอนันธพาลนะ ยิ่งไล่มันก็ยิ่งหลังขวานอันตพานที่หรือว่าพวกเกเรที่ชอบขับรถสิ่งรบกวนบ้านเราในซอยบ้านเรานี่ยิ่งไล่มันก็เหมือนกับยิ่งยุนะยิ่งรบกวนหลังหลังขวาเรามากขึ้นยิ่งถ้าเราเป็นปฏิปักษ์กับพวกนี้เนี่ยมันก็ยิ่งก่อกวนเราแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนะหรือว่า ทำใจยอมรับว่าเออจะอยู่ก็อยู่ไปนะแต่ฉันไม่ไม่โกรธแกนะแกจะมายุ่ยฉันโกรธฉันไม่โกรธทำใจยอมรับมันพอเราทำใจยอมรับเส ม, มือนว่ามันเป็นเพื่อนเรานะอันเส ม, มือนว่าเราเป็นเพื่อนมันนะไม่นานมันก็จะกลายเป็นเพื่อนเรา มันกลายเป็นเพื่อเราอย่างไงคือมันก็รู้ว่าเมื่อไรควรจะไปมันเหมือนกับอาคาันตุกะที่มาเยี่ยมบ้านคนที่มาเยี่ยมบ้านนี่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือเป็นอาคาันตุกะที่ดีเขาก็รู้ว่าเมื่อไรคนไปเขามีมารยาทที่จะไม่รบกวนเราเนิ่นนานถ้าเรามีความรู้สึกยอมรับความเหงาไม่ปฏิเสธผลักสายมัน เสมือนว่าเป็นอักขตุกะที่มาเยี่ยมบ้านเราเราไม่มองเขาเป็นศัตรูเป็นอันธพาลหรือว่าเป็นมิจ ก, กเขาเขาก็เป็นมิจ ก, กับเราแล้วเขาก็จะมาลบกวนมาลังควาเราน้อยลงต้องใช้ความรู้สึกตัวนะมาช่วยถึงจะทำเช่นนี้ได้สติความระลึกได้ความรู้สึกตัวสัมปชัญญะนี่สาคัญ เมื่อเรามันเกิดอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในใจนะก็ให้มีความรู้สึกตัวดูมันอย่าไปอยากให้มันหายอยากจะอย่าไปอยากให้มันหมดไปอย่าไปรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับมันาวางใจเป็นกลางต่อสิ่งนั้นดูมันเฉยๆถ้ามันยังอยู่ก็อยู่ไปเราไม่ว่าอะไรแต่เราจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกไปกับสิ่งนั้น การปฏิบัติเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะเป็นมิตรกับอารมณ์ต่างๆได้ไม่ใช่เป็นมิตรแต่สิ่งที่เป็นความดีใจเป็นความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นลบเป็นอกุศล้วก็เป็นมิตรกับเขาได้ถ้าเราเป็นมิตรกับอารมณ์เหล่านี้โดยที่ไม่ได้คล้อยตามเขาไม่ได้ถูกเขาชักจูงไม่ใช่ว่าพอโกรธก็ พูดหรือด่าไปตามความโกรธอันนั้นไม่ใช่แล้วเราเป็นมันเป็นนายแล้วละมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมิตรกันแล้วนะเป็นไม่คือว่าจะอยู่ก็อยู่ไปต่างคนต่างอยู่แต่ว่าไอการวางท่าทีอย่างนั้นแหละที่มันจะทำให้อารมณ์เหล่านี้นค่อยๆเลือนหายจางคลายไปก็ยังมาอยู่แต่ว่า ก็กลายเป็นอาคันตุกะที่มีมารยาทนะจะไม่ทำตัวเหมือนโจรที่คอยขโมยความสุขของเราไปหรือคอยก่อความรำคาญแก่เราแต่จะเปลี่ยนเป็นอาคันตุกะเป็นเพื่อนที่มาเยี่ยมมาจอเป็นครั้งคราวมาทีไรเราก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจมาก็มาจะไปก็ไปแต่ส่วนใหญ่ก็มาไม่นานก็ไปเอง ถึงตอนนั้นแหละที่จะทำให้เราพบกับความสุขไอ้ความสุขที่มีอยู่แล้วในกลางใจเราก็จะกลับมานะให้เราลองมีท่าทีนะต่อสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราวางจิตวางใจไม่เป็นนะเช่นกดข่มมันพยายามที่จะกำจัดไล่ล่ามันด้วยความรู้สึกเป็นลบนะอันนั้นเราก็ทุก หรือว่าอีกทางหนึ่งที่เราทําบ่อยก็คือว่ายอมให้มันลากลู่ถูกลางไปโดยเพราะตัวรักคิดและอารมณ์ต่างๆเช่นโทสะโลภะลาคะที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันลากลู่ถูกลางไปก็ทําให้เราเรียกว่าสะบักสะบอมยับยับเยินนะจิตใจเรายับเยินบางทีไม่ใช่แค่จิตใจเดียวนะที่เป็นทุกข์นะแต่ว่า ยังสูญเสียสิ่งต่างๆมากมายเพราะการที่เราเผลอใจไปอยู่ในอำนาจของมันหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านอยู่วัดป่าอาวัดภูเขาทองหลายก็่าสามปีที่แล้วก็มีโยมคนหนึ่งมาบวช หลวงพ่อก็ให้ปฏิบัติแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติเท่าไหร่หน้าตาก็ดูไม่มีความสุขดูเครียดนะตรงข้ามกับหลวงพ่อคนเมื่อกี้ที่เล่านะที่ท่านตั้งใจปฏิบัติแต่ว่าตั้งใจมากเกินไปทำด้วยความอยากแต่องนี้นี่ไม่สนใจเลยนะแล้วก็วันหนึ่งก็อยุดบวชได้ไม่กี่วันนะก็มาลาขอศึก หลวงพ่อคำเขียนก็ไม่ให้ศึกให้กลับไปปฏิบัติวันต่อมาก็มาขอศึกนะลบเราจะศึกให้ได้แก่ให้ผลว่าที่มาบวชนี่ไม่ได้สนใจปฏิบัตนะิไม่ได้ตั้งใจจะมาเจริญสตินะแต่ว่ามีคนขอให้บวช ก็พูดง่ายคือจำใจบวชอันนี้เป็นเป็นเหตุผลว่าจะขอศึกหลวพอมเข่ก็ไม่ได้ยินดีด้วยแล้วก็ถามว่าที่ท่านมาเนี่ยอะไรสั่งให้มาหมายถึงว่าที่ที่ท่านจะมาศึกเนี่ยอะไรสั่งให้มาพระรุ่นนี้ก็ตอบว่าความคิดครับหลวงอมเขยงก็เลยตอบว่า ความคิดนี่ถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องทำตามมันได้เหรือถ้าเราทำตามความคิดไปทุกเรื่องเนี่ยเราไม่แย่หรือท่านก็ท้วงแบบนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้กลับไปดูความคิดซะ วันต่อมาพาะรุมนี้ก็มาแล้วก็มากราบหลวงพ่อแล้วก็สารภาพว่าเอาขอบคุณหลวงพ่อนะที่มาทักทวงเพราะว่าถ้าหลวงพ่ออนุญาตให้ศึกนะเขาก็จะไปฆ่าคนเขาจะตั้งใจว่ า, วาจะฆ่าคนสองคน เกี่ยวเรื่องชู้สาวนะตลอดเวลาเนี่ยที่อยู่วัดเดินจงกรมไม่ได้เดินหรอกคิดแต่ว่าจะหาทางยิงสองคนนั้นได้อย่างไรจะเอาปืนจากคิดไหนนะจะเล่นงานอย่างไรเนี่ยความคิดมันคิดแต่เรื่องนี้แหละจนกระทั่งจะมาสึกกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ไม่ให้สึก ยลงพ่อทักท้วงวาเนี้อย่าไปเชื่อความคิดนะคนเราความคิดถ้ามันเกิดขึ้นเราทําตามมันทุกอย่างล้วก็แย่นั่นแหละนะก็พอจะกลับไปทบกลับไปดูก็ไปเห็นเลยนะไอ้ตัวรักคิดนี่มันเล่นงานแกอย่างไรบ้างทำให้ไม่มีความสุขในการบวชไม่มีความสุขในการปฏิบัติแล้วก็จิตใจก็คิดแต่าการ หาทางแก้แค้นอันนี้เรามันไอ้ตัวรักคิดเนี่มันดูดเอาความสุขของแกไปตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังเตรียมจะสร้างความทุกข์ให้กับภาพรูปนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าศึกไปได้สำเร็จเนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราลองนะพิจารณาที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้พูดไว้นะไอ้ความคิดถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องทำตามมาทุกอย่างเหรอ ถ้านะเราทำตามทุกอย่างเราไม่แย่เลยบางคนเดินจงกรมไปก็คิดแล้วเมื่อไหรจะอยากจะกลับบ้านก่อนกำหนดนะตอนนี้ก็คิดถึงแม่คิดถึงพ่อขึ้นมาโอ้ท่านลำบากนะท่านกำลังเดือดร้อนลูกเราก็แย่เหมือนกันนะเราจะมาอยู่นี่เสพสุขเฉพาะตัวได้อย่างไรนะต้องน่าจะกลับบ้านไปก่อนนะน้ำตอนนี้ก็กำลังจะท่วมบ้านเราอีกด้วยนะ เป็นห่วงขึ้นมาแล้วนะมันก็จะหาเรื่องนะเพื่อที่ทําให้เราเลิกปฏิบัติอันเรานี้ก็อย่าไปหลงตามความคิดนะเพราะว่านอกจากตอนที่คิดแล้วแล้วเราจะมีความทุกข์แล้วนะถ้าเกิดเราทําตามมันมันก็จะสร้างความทุกข์ความร้อนใจให้กับเราตามมาอีกหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอยเราหัดรู้เท่าทันนะให้ตัวให้ตัวรักคิดเนะี่ยซึ่งเป็นคือ คือตัวที่ขโมยความสุขไปจากใจเราอย่างแท้จริงถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ทันไอตัวรักคิดตัวขโมยนี้นะมีความสุขเท่าไหร่ก็โดนมันดูดหายไปหมดนะก็เหมือนกับกินเท่าไหร่ก็โดนพญาติดูดไปหมดก็ผอมแห้งแรงน้อยจิตใจเราก็ผอมหิวความสุขนะไม่ใช่ว่าความสุขไม่มีมันมีนะมันมีในใจเราแต่ถูกดูดไปหมดนะเราต้องกลับมารู้ทันมัน ให้เกิดความรู้สึกตัวให้ความสว่งสางศาสส่องในจิตใจเพื่อที่มันจะได้หลบซ่อนไม่แม้ก็ยังขุดล่าถางคนไม่ได้นะมันก็ยังหลบซ่อนในใจแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาอย่างสุดที่สุดนะมันก็จะเรียกว่าถูกละถูกถูกเอามันก็จะหนีไปอย่างสิ้นเชิงนะแล้วก็พอสมควรแก่เวลากลาบพาพร้อมกัน